บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วส่วนหนึ่งเรียกว่าอนาเทศนาคือเป็นเทศนาที่กำหนดมาตรการควบคุมความประพฤติ ของบุคคลทั้งหลายที่ปฏิญาณตนเข้ามาเป็นพุทธบริษัท้อบัญญัติเหล่านั้นเรียกว่าศีลเรียกว่าสิกขาบทคือเป็นขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของการศึกษามุ่งปรับอาการทางกายกับทางวาจาให้มีความสงบประณีตขึ้นอยู่ในจุดที่บุคคลผู้นั้นแม้จะอยู่ในที่ใดก็ตาม จะไม่นำความเดือดร้อนมาให้เกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลอื่นด้วยการกระทําทุจริตประการที่สองนั้นเรียกว่าโบหารเทศนาเป็นประธานาเทศนาที่หลากหลายด้วยโบหารวิธีการต่างๆบางครั้งก็เรียกว่าอนุโลมเทศนาเ ป, นป เ, เป็นประธานาเทศนาที่แสดงคล้อยตามจริตอัธยาศัยพื้นเพของบุคคลซึ่งแตกต่างกัน บุคคลเหล่านั้นมีความยิ่งความจรในด้านอินทรีย์บางท่านจะทินทรีย์แก่กล้าบางท่านวิริยทรีย์แก่กล้าเป็นต้นเพราะความต่างการแห่งอินทรีย์นั่เองทำให้พระพุทธเจ้าได้ทรงหลากหลายพระธรรมเทศนาออกไปเป็นการคล้อยตามจดิอัธยาศัยของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นการแสดงพระธรรมเทศนาในส่วนนี้ ก่อนที่จะแสดงทุกข่าวไปจะทรงใช้ประยาน3ประการเป็นเครื่องกําหนดตรรึกดูอุปนิสัยอินทรีย์ของบุคคลผู้นั้นเรียกว่าอินทรียะประโยชประยัติยานคือประยานที่ทรงดูความแก่ความอ่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นอธิมุตติกายานดูพื้นเพ อ, อัตยาสายบารมีธรรมที่บุคคลเหล่านั้นได้สร้างสมบรูรณ์มาและดูชาณาทิเลสังติไกายาน รยานที่รู้ความแก่ความอ่อนของคุณธรรมทั้งหลายมีสมาธิเป็นส่นที่บุคคลหลดนั้นมีอยู่ข้อนี้จะพบว่าในแต่ละจุดของคนเรานั้นมีส่วนที่แตกต่างกันในด้านอินทรีย์สตาวิริยะสติสมาธิปัญญาคนก็แก่อ่อนกันในคนลจุดในส่วนนี้ถ้าหากว่าอินทรีย์ก็อใดข้อหนึ่งยังมีความบกพร่องอยู่ก็จะทรงแสดงธรรมะในลักษณะปรับอินทรีย์ให้มาเสมอกัน เหมือนกัญานภาณะที่ล้อข้างหนึ่งยังไม่ค่อยมีลมก็ต้องสูบลมเข้าไปเพื่อให้อยู่ในจุดที่จะแล่นไปในสถานที่ต่างๆได้ในด้านอธิมุดพื้นเพอัตยาใสเป็นความโน้มเอียงที่แสดงออกมาภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นปรากฏทางอาการกายวาจาที่บุคคลสามารถสังเกตพืตเห็นกันได้ว่าคนเรามีอธิมุด คือพื้นอัตยาสายวาสนาปรมีที่สร้างสมบปรุ์มาแตกต่างกันบางคนมีบรมีแก่กล้ามีจิตใจโน้มน้อมเข้าหาศาสนามาตั้งแต่เล็กแต่บางคนมองเห็นศาสนาเป็นเรื่องน่าหวาดน่ากลัวเป็นเรื่องที่ตนจะสูญเสียโ อ, อกาสไปเป็นต้นการที่เขามองเห็นเรื่องเดียวกันแต่มองเห็นแตกต่างกันเช่นนี้ก็เพราะพื้นฐานทางบรมีของบุคคล น, นั้นแตกต่างกัน ในส่วนของสมาธิเป็นต้นก็มีลักษณะเช่นนั้นข้อนี้บุคคลมึงสังเกตว่าแม้สมาธิในการฟังสมาธิในการอ่านสมาธิในการสวดสาธยายพระพุทธคุณเป็นต้นบุคคลจะมีความส ง, งบแตกต่างกันบางคนสามารถควบคุมจิตใจของตนให้แล่นตามกระแสทาได้ตลอดระยะเวลาที่มีการแสดงมีการฟังจก บางคนสามารถควบคุมจิตใจให้แล่นไปตามกระแสบทสวดได้ตลอดการที่สวดอหรือแม้ในการทํางานอย่างอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่บางคนจิตใจวิ่งเข้า ว, วิ่งออกระหว่างเรื่องที่กําลังทํากับเรื่องเราอื่นนอกจากที่ตนกำลังกระทาอยู่ในจุดเหล่านี้แต่ละอย่างนั้นมีความแตกต่างกันทําให้คนเราเริ่มห่างกันในชั้นของการประพฤติปฏิบัติ สิ่งทรงจำแนกแสดงเป็นดอกบัวสีเหล่าอย่างที่ทราบกันดังนั้นในเรื่องของเวทนาลูกปัศนาสติปัฏฐานก็มีลักษณะอย่างนั้นในส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของโวหา ร, รเทศนาทรงแสดงโดยโวหารต่างๆเพื่อคล้อยตามจริตอัธยาศัยของบุคคลนั้นแต่ในขณะเดียวกันพระธรรมเทศนาส่วนหนึ่งก็เป็นยาถาปราติสัตคือความจริงที่แท้จริงของเรื่องนั้นเป็นอย่างไร ก็จะส่งแสดงถึงความจริงของเรื่องต่านกันดังนั้นพระธรรมเทศนาจึงมีจุดมุ่งไปที่ความสงบกับความรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่ส่งแสดงแต่เนื่องจากความแตกต่างการดังกล่าวแล้วปริยายแห่งธรรมะจึงหลากหลายออกไปตามพื้นเพอัตยาสัยของบุคคลเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนั้นมีระยะที่ทรงแสดงไวในที่ต่างๆไม่เหมือนกันบางครั้งแสดงเป็นระดับหยาบยาบ บางครั้งแสดงในระดับทีละเอียดบางครั้งก็มุ่งให้บุคคลผู้ฟังได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบพินิจพิจารณาดูเวทนาที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นว่าเวทนานั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นต้นซึ่งจะทรงแสดงโดยวิธีอะไรก็ตามก็มีเป้าหมายอยู่ที่ให้บุคคลสงบใจได้ เมื um galaxies, player, ่อประสบกับเวทนาที de ่เก si ิดข yes. ึ hmm. really well, like yeah. ้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามเพื่อควบคุมกระแสของความคิดกระแสของอารมณ์ให้อยู่ในจุดที่ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าหากว่าบุคคลไม่มีจิตใจที่สงบพร้อมที่จะพินิจพิจารณาแล้วจะพบว่าจิตใจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามสมควรแก่อารมณ์ที่ใจไปกาหนดและมีความรู้สึกต่ออารมณ์เหล่านั้น เป่นบางครั้งดีใจจิตก็ฟูขึ้นอย่างรุนแรงบางครั้งเสียใจจิตก็ฟุบลงอย่างรุนแรงทําเอาตั้งหลักไม่ได้ดีใจจนวิปราสไปก็มีเสียใจจนวิปราสดไปก็มีแต่ถ้าหากว่าบุคคลได้เรียนรู้ได้เข้าใจในเวทนาที่ปรากฏเกิดขึ้นไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามด้วยจิตใจสงบและด้วยจิตใจที่รู้แล้วก็จะทาใจของตน เมื่อประสบกเวทนาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตากข้อ ท, ที่ส่งแสดงเวทนานั้นก็เพื่อถ่ายทอนความยึดติดในสุขกเวทนาของบุคคลทั้งหลายที่มีพื้นทางปัญญานั้นแก่กล้าตัณหาจะิตมีอ่อนไม่ไปติดในสิ่งที่เป็นรูปพัตถุอยากจยากแต่ก็ไปติดในส่วนที่เป็นนมามธรรมอันประนีตคือสุขเวทนา สุขเวทนาเหล่านี้เมื่อบุคคลกำหนดหมายเห็นเป็นความเที่ยงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงก็จะมีการยึดจิตคขว่คว้าในสุขเวทนาเหล่านั้นโดยลืมการใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบถึงสภาวะที่แท้จริงของเวทนาอันจัดเป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนหรือวิปลาสประการหนึ่งในวิปลาสทั้ง4ประการือเห็นสภาวะที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เพราะอะไรเพราะในแง่ของโลกิยธรรมทั้งหลายแล้วคําว่าสุขเป็นเพียงสมมติบัญญัติขึ้นมาเท่านั้นสุขจึงหมายถึงอาการของความทุกข์ที่ลดลงอยู่ในจุดที่พอทนได้รู้สึกพอใจยินดีบุคคลนั้นก็ได้ชื่อว่ารับความสุขในขณะนั้นแล้วก็มีการกําหนดหมายมีการยึดติดอยู่ในความสุขตอนนั้นดนั้นการที่ทรงสอนให้ดูเวทนาในจุด ทั้งสติระลึกอยู่ด้วยความสงบกับเวทนาแล่ว่าเวทนาอะไรจะปรากฏเกิดขึ้นก็ตามสติระลึกทันอยู่กับเวทนาเหล่านั้นระลึกในชั้นนี้เป็นการระลึกเพื่อให้จิตสงบเป็นการรวมพลังจิตไว้ในจุดนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิระลึกรู้ทันเวทนาที่ปรากฏขึ้นทั้งทางกายและทางจิตใจของตนรู้ทันอยู่ตลอดแนวกำลังของสติ กำลังของสมาธิกำลังของความเพียรก็จะเป็นไปในเวทนาเหล่านั้นแก่กล้ามากยิ่งขึ้นและในที่สุดก็จะมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเวทนาซึ่งใจตนเคยกำหนดหมายว่าเป็นสุขอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เวทนานั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวตลอดเวลาเกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยองค์ประกอบให้เกิดขึ้น และการที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตภายในของบุคคลและบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับกาลเทศะที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่พรนี้เพิงสังเกตว่าบางครั้งบางคราวสิ่งหนึ่งเมื่อตนได้เห็นได้ยินเป็นต้นก็เกิดสุขเวทนาขึ้นในกาลอย่างหนึ่งแต่บางคราวในกาละอีกอย่างหนึ่งนั้นได้ยินเสียงเดิมนั้นเองแต่กลับเกิดทุกขเวทนาเพราะเสียงนั้นเป็นเถ ตอนี้เป็นเพราะอะไรเพราะใจของบุคคลไปกําหนดเวทนาไว้ในลักษณะที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นบางโอกาสตนต้องการจะฟังเพลงฟังเพลงก็เกิดเป็นสุขเวทนารู้สึกชื่นบานเบิกบานใจปรากฏขึ้นในขณะนั้นแต่ว่าเพลงที่ให้ความชื่นบานความสุขใจเป็นสุขเป็นโ ส, สมนัติเกศตนในขณะนั้นในขณะหนึ่งนั้นเมื่อใดขณะหนึ่งเช่นเกิดอาการไข้ไม่สบายหรือต้องการจะรับจะหลับนอนพักผ่อน เอาเพลงเดิมนั้นเองไปเปิดก็เกิดเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาได้เพราะการกําหนดเพลงนั้นในฐานะอย่างอื่นแทนที่จะกําหนดเป็นอารมณ์มัน่าปรารถนาน่าใคราน่าพอใจก็กําหนดเสี้ยวหม่ว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจทุกขเวทนาก็บังเกิดขึ้นจึงเป็นการเชื่อเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเวทนานั้นแก่เกิดมาจากเกตจากปัจจัยทั้งที่เป็นภายในและทั้งที่เป็นภายนอกผู้ปฏิบัติจะใช้ปัญญาวิเคราะห์สรวจสอบเวทนา ทั้งในขณะที่เกิดว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาแต่ละข้อที่ปรากฏในขณะนั้ น, น, นในตอนต่อไปก็จะดูที่ความเปลี่ยนแปลงของเวทนาและความดับไปของเวทนาก็จะดูเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปข้อนี้บางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าได้ทรงอาศัยส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมข้าเป็นสื่อในการเรียนรู้เวทนาที่ปรากฏขึ้นโดยทรงสอนให้ดูเหมือนกับ ตอมน้ําที่เกิดขึ้นจากการกระทบ ข, ของน้ําซึ่งจะพบว่าตอมน้ํานั้นจะเกิดขึ้นระยะหนึ่งดํารงอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงในตัวเองเพราะเหตุปัจจัยอย่างความดํารงอยู่เสื่อมหมดแก่ก็ดับแต่ก็ได้เหตุปัจจัยขึ้นมาใหม่ก็ตั้งขึ้นมาใหม่อีกแต่ที่จริงแล้วเป็นคมในเหตุคนละปัจจัยการเหมือนลูกคลื่นที่ปรากฏในทะเลซัตกรหาฝั่งแต่ละคลื่นนั้นเป็นเกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันและเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในลักษณะนั้น แต่เนื่องจากมีเหตุปัจจัยให้เกิดมีเหตุปัจจัยให้ตั้งอยู่มีเหตุปัจจัยให้ดับอยู่เรื่อยไปจึงมีคลื่นอยู่ในทะเลเรื่อยไปทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาหรือแม้อทุกขมสุขเวทนาจะเป็นส่วนเจือโดวยวัตถุสิ่งของหรือจะส่วนเจือด้วยการกระทํานิพผานเป็นอารมณ์ก็ตามแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็ด้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยจากนั้นบุคคลจะมองเห็นเวทนาในลักษณะที่เหมือนกับน้ําตกจากที่สูง คือจะไหลลงตามเรื่อยไปมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเกิดดับในลักษณะที่ถี่ยิบจุดตั้งอยู่หายไปดูเห็นเฉพาะเป็นความเกิดดับเท่านั้นเองคือเกิดกระดับเท่านั้นพอมองไ ป, มอ ง, ไปมองมาเมื่อจิตใจมีความสงบสูงขึ้นปัญญาเห็นประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นก็จะมองดูเฉพาะจุดที่ดับเท่านั้นเองเมื่อมองเห็นความดับบ่อยๆใจที่เคยยึดติดในสุขเวทนา สำคัญมั่นหมายกำหนดหมายในสุขเวทนาว่าเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนยืนเรือง ย, ยืนรงอยู่จนถึงก็มีการขวยคว้าเวทนาการในลักษณะต่างๆก็จะผ่อนคลายไปเพราะมารู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วความเข้าใจเดิมนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นเวทนาแก่ดับอยู่ตลอดเวลาเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วพอมาดูที่ความดับดับไปเรื่อย ก็จะมองเห็น ก, การยึดติดในเวทนาว่าเป็นของที่น่าหวาดกลัวใจอาจจะสายในคราวแรกเมื่อเห็นเวทนาปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าก็อาจจะสายไปที่เวทนาอื่นเห็นว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแกดับไปเรื่อยใจก็จะสายไปหาที่เวทนาอื่นจะอาจจะประลบถึงเวทนาในอดีตก็มีการปรุงคิดคิดปรุงไยผั น, เ, นเพลิดเพลินอยู่กับอดีตบางครั้งก็โจมอยู่กับอดีต บางครั้งก็จะสายไปในอนาคตควายคว้วาเวทนาที่เป็นอนาคตคล้ายๆกับว่าวัตถุสิ่งของอย่างหนึ่งแตกไปแล้วก็ต้องการหาวัตถุใหม่โดยปักใจวัตถุั้านคงไม่แตกดังนั้นจึงทรงสอนให้ใช้ปัญญาเข้าไปกำหนดพินิจพิจารณามองในลักษณะเชื่อมโยงคือเรียนจากจุดที่ปรากฏแก่ใจของตนเองในขณะนั้นนั้นคือมองเห็นความดับของเวทนาพร้อมด้วยเหตุปัจจัยในแต่ละขณะแล้ว มองไปถึงเวทนาทั้งที่เป็นอดีตไม่ว่าอาดีตการนานไกลยอย่างไรก็ตามที่ให้ความเพลิดเพลินให้ความกำหนัดยินดีขวยคว้าปรารถนาที่จะเรียกร้องอเวทนาเหล่านั้นกลับคืนมาก็อมองให้เห็นโดยสภาพเช่นเดียวกันเวทนาในอนาคตแม้จะยังไม่เกิดขึ้นก็จะตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นและนั้นจึงทรงสรแสดงในตอนสรุปเรื่องเหล่านี้ในที่ทั้งหลายอเบธาณาอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบละเอียดก็หยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีเวทนาจะประณีตอย่างไรก็ตามมันก็เป็นแต่ศักวเวทนาเท่านั้นใจยอมรับความมีอยู่ของเวทนาไม่ใช่ปฏิเสธเวทนาแต่ยอมรับเวทนานั้นเป็นเพียงอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการอาศัยระลึก ในการกำหนดรู้ในการพิจารณาของตนท่านนั่นเองในขณะที่ตนยังจำเป็นต้องอาศัยเวทนาเป็นเครื่องกำหนดรู้เป็นเครื่องอาศัยระลึก<ๆ>ก็ต้องอิงอาศัยเวทนากระจมเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนกับยานพาหนะที่บุคคลจำเป็นจะต้องอาศัยเพื่อไปในสถานที่ต่างๆแม้จะรู้แจ้งว่ายานพาหนะนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่เมื่อตอนจาเป็นจะต้องอิงอาศัย ก็ต้องอาศัยไปก่อนเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็สละละชิ้งในเวทนาในในญยานภาณะเหล่านั้นชั้นได้กิจใจของบุคคลที่มารู้แจ้งในเวทนาตามความเป็นจริงก็มัก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นั้นยอมรับความมีอยู่ของเวทนาว่าเป็นเพียงเครื่องอาศัยระลึกหรือที่ทรงใช้คำว่าสักว่าเวทนาคำว่าสักแต่ว่าเวทนาหรือสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าปวดสะพานั้น เป็นคำที่กินใจความได้อย่างลึกซึ้งมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงพางจิตใจทั้งในด้านสงบและทั้งในด้านความรู้เพราะขณะใดก็ตามที่บุคคลมีความรู้สึกว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเวทนาเป็นต้นแม้เวทนาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นหลากหลายอย่างไรแกจะหยุดเพียงสักว่เวทนาเท่านั้นใจจะไม่ปรุงต่อไป ด้วยอำนาจของตันหาหรือด้วยอำนาจของมานะหรือด้วยอำนาจของยึติเมื่อหยุดปรุงความยึดติดในเวทนาในลักษณะต่างๆก็จะสงบระงับไปในขณะนั้นๆเวทนาที่เกิดขึ้นใหม่เป็นเวทนาที่อาศัยความรู้แจ้งประจักษ์แก่ใจของบุคคลหรืบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติจึงไม่สามารถครอบงำจิตใจก่อให้เกิดเป็นความยึดติดว่าของเราหรือว่า เราเป็นเวทนาหรือเวทนาเป็นเราหรือเวทนาเป็นตัวเป็นตนของเราซึ่งลักษณะของการยึดติดนั้นเวลาทรงจำแนกแสดงแล้วเป็นการจำแนกโดยนัยะที่ละเอียดออกไปอย่างลึกซึ้งมากถ้าากว่าไม่ใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบให้เห็นความแตกต่างแห่งการยึดการติดในเวทนาก็จะพิจารณาไม่เขนแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจะพบว่าบุคลจะยึดติดในเวทนาในแนวที่ว่าเวทนาเป็นเรา คือหมายความว่าตัวเวทนานั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนของบุคคลนั้นๆหรือเวทนามีอยู่ในเราเป็นการกําหนดหมายอีกแนวหนึ่งว่าตัวเรานั้นเป็นอย่างหนึ่งแต่เวทนาก็มาเกิดขึ้นแล้วก็ครอบนำเราอยู่เพราะเวทนาจึงมีอยู่ในเราตลอดถึงการกําหนดว่าเวทนาเป็นของเราด้วยเราเป็นของเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน จะกำหนดด้วยอานาจตัณหาบ้างด้วยมานะบ้างและในทิฏฐิในที่สุดทิฏฐิคือความยึดความถือก็จะบางเกิดขึ้นด้วยประการต่างๆมีความโศกเศร้าเสียใจเมื่อยามประสบกับทุกขเวทนามีความชื่นชมยินดีเมื่อความยามประสบกับสุขเวทนาแต่ถ้าหยุดไวเพียงว่าสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราได้แล้ว ใจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็จะปล่อยวางในเวทนาลงไปได้ข้อนี้อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเวทนานั้นไม่ใช่ของเราเวทนานั้นไม่ใช่เราเวทนานั้นไม่ใช่ตัวเชตนของเราข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้เต้นได้อย่างนี้แล้วใจิตใจก็จะผ่อนคลายความยึดติดความกำหนัดความบินดีด้วยประการต่างๆซึ่งการจะปล่อยวาง การคลายกำหนัดหรือคลายความยึดติดได้ขนาดไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่บุคคลได้ประกอบกระทำลงไปแต่อย่างน้อยที่สุดบุคคลจะได้อัสารธคือความเป่าใจความปร่งเป่าใจที่เกิดขึ้นจากประสบกเวทนาต่างๆเช่นเรามองในแง่ของเหตุปัจจัยเมื่อแกเกิดขึ้นก็เห็นว่าสักแต่ว่าแกมีเหตุปัใจจัยให้เป็นทุกข์เช่นนี้มันก็ต้องเป็นทุกข์ธรรมดา แต่ในขณะเดียวกันเมื่อรู้แจ้งตามความเป็นจริงอของเวทนาก็พรากจิตจากเวทนาเหล่านั้นไม่ไปยึดไปจิตเช่นนั่งปวดเมื่อยเป็นทุกขเวทนาอยู่ น, น, นานๆก็ไม่ไปใส่ใจถึงตัวปวดเมื่อยตัวนั้นหรือยามเจ็บไายได้ป่วยที่ประสบประสบทุกเวทนาเสียดแทงใจอย่างรุนแรงก็พยายามพรากกายออกจากตัวปวดตัวนั้นให้ไปหยุดพรากจิตจากตัวปวดตัวนั้นให้ไปอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ ใจไม่ไปผสมไม่ไปบวกกับอาการปวดร้าวเหล่านั้นความปวดแกมีอยู่ก็สักแต่ว่ามีอยู่ก็สักแต่ว่าปวดเท่านั้นเองแต่เมื่อใจไม่ไปยอมรับไม่ไปให้ความสําคัญไม่ไปใส่ใจอะไรปนะักนั้นทุกเวทนาต่างๆที่จะปรากฏก็เบาบางลงไปในชั้นของการกําหนดในรูปสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงเป็นต้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอารมณ์ต่างๆจะหยุด มันมีลักษณะเหมือนกับหยาดน้ำที่ตกลงบนใบบัวไม่ไม่สามารถแทรกซึมเข้าในใบบัวได้แล้วก็กลิ้งกลับไปจันได้จิตใจของบุคคลที่มารู้เท่าทันต่อเวทนาซึ่งปรากฏเกิดขึ้นแก่ตนในแต่ละขณะแต่ก็มีความรู้มีการกำหนดหมายว่าสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นสักแต่ว่าเวทนาก็หยุดไม่มีการปรุงต่อไปข้อ น, นี้เพิงสังเกตว่าแท้ที่จริงแล้วตัวการที่เป็นเหตุให้ปรุงนั้น ก็คือตัณหามานะทิฏฐิอย่างที่ทรงแสดงเป็นสู่ตายตัวทุกผลทุกแห่งใช้คํามาลีว่าเอตังมะมะ เ, เอสวมัสมิเอโสเมอัตตาคือนั้นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวเป็นตนของเราจะยึดในแนวนี้อยู่ตลอดแต่ว่าแท้ที่จริงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสออกมาเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาดังที่เคยกล่าวมาแล้วนั้นไม่ได้มีอิทธิพลต่อจิตใจของบุคคลเสมอไป ถ้าเรื่องราวเหล่าใดที่ใจคนไม่ไปกำหนดหมายในฐานะดังกล่าวแล้วเวทนาก็ไม่บังเกิดขึ้นเชนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกมีลักษณะรุนแรงมีการพลัดพรากมีการล้มตายมีความสูญเสียบังเกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกเป็นข่าวประจำวันแต่ทำไมเราไม่รู้สึกเศร้าโศกทำไมไม่รู้สึกดีใจทั้งนี้เพราะว่าใจไม่ไปกาหนดบุคคลเหตุการณ์เหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกับตน ในฐานะที่เป็นของตนหรือในฐานะที่เป็นตนหรือในฐานะที่เป็นตัวเป็นตนของตนไม่ใจไม่กําหนดเวทนาที่เกิดขึ้นก็สักแต่ว่าข่าวฟังข่าวก็ฟังเพียงสักแต่ว่าข่าวอ่านข่าวก็จักสักแต่ว่าอ่านเท่านั้นเองแต่ใจจะไม่หดขู่ไม่เศร้าโศกไม่ดีใจไปตามลักษณะของเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นตัวการสําคัญจึงบ่งชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าใจที่กําหนดเป็นตัวสําคัญที่สุดใจ แต่ก็ใจไม่กำหนดโดยอาการทั้งสามประการแล้วเวทนาเหล่านั้นก็เป็นเพียงศักดิ์วเวทนาเท่านั้นเองก้อนี้พึงดูตัวอย่างในกรณีอื่นเช่นการกระทำของบุคคลบางคนซึ่งเราไปพบเห็นขราบแต่เป็นการกระทาระหว่างนายกรกับนายขอเราไม่มีความรู้สึกว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเราก่อาจะเพลิดเพลินสนุกสนานกับการกระทาของบุคคลเหล่านั้นแต่ว่า เวลาเขามาหันมาด่าว่าหรือสว ป, ประมาดดูถูกดุหมินเราใจก็รับไปบวกกว่าเขาด่าเราเราถูกเขาด่าหรือเขาดูหมิ่นเราเราถูกเขาดูหมิ่นโทสะก็จะเกิดจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลความทุกข์ความโทมนัสก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมานี่จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องอย่างเดียวกันแต่เป็นการการกาหนดในฐานะที่แตกต่างกันไม่เอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่พอเราเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีปัญหาทุกทีไปเรื่องบางเรื่องนั้นเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นใหม่ๆจากการกําหนดหมายของตนเองในขณะนั้นๆไม่ว่าจะกําหนดหมายด้วยอํานาจของตานหามานะหรือวิธิก็ตามพอสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปในด้านใดด้านหนึ่งทุกเวทนาก็บังเกิดขึ้นทั้งๆที่ว่าเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยรู้จักมักจีอะไรกันมาก่อนเลยแต่มีการกําหนดหมายกันขึ้นมาติดหลัง รสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตใจของตนได้ดังนั้นในชั้นการดำรงชีวิตทั่วไปท่านจึงสอนให้บุคคลพยายามทำใจไม่ไปดึงเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเข้ามาเป็นของเราหรือเข้ามาเป็นเราหรือเข้ามาเป็นตัวเป็นตนของเราด้วยคำโดย้อยคาที่ ว, ว, ว่าช่างเขาเถิดบ้างไม่เป็นไรบ้างก็เป็นการยุติ ป, ปัญหาไปเท่านั้นข้อนี้ท่านาศาสนโสพลแจม จะตะสันละเทระได้แสดงให้เห็นลักษณะของเวทนาว่าเกิดขึ้นด้วยความยึดความถือโดยในยะที่กล่าวแล้วจริงๆโดยท่านผูกเป็นคํากรอนว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจรา อ, อยากได้ความสุขหรือทุกขนะ์หนาเป็นการตั้งคําถามขึ้นมาถามตัวเองเมื่อรู้แจ้งซึ่งเวทนาว่า เวทนาจะมีทิทธิพลครอบงาใจของตนตนหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวนั้นแต่อยู่ที่ตัวยึดหรือไม่ยึดถ้าไม่ยึดก็ได้ความสุขถ้าไปยึดก็ได้ความทุกข์แม้แต่ยึดในสิ่งที่เป็นของเราคือสิ่งที่ดีๆที่เรียกว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจดูแล้วคล้ายๆจะเป็นสุขแต่ถ้ามองให้ซึ้งลงไปแล้วก็เป็นทุกข์ที่แฝงอยู่หลังความเพลิดเพลินชื่นบานดีอกดีใจนั่นเองเป็นนัน อย่างที่ทรงแสดงเป็นกระบวนการของการแสวงหาของบุคคลจนได้มาแล้วครอบครองมีความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งเหล่านั้นต่อจากนั้นก็จะมีการหวงแขนมีความป้องกันให้การใัราคาใครมาเบียดเบียนใครมายื้อแย้งสิ่งเหล่านั้นก็มีการต่อสู้มีการประหารประหารกันทัทง้งทังที่เป็นของหน้าปรารถนาแต่ก็ก่อแฝงความทุกข์ในรูปของทุกขเวทนาไว้เป็นอันมาก ส่วนโดยสภาพแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกโดยสภาพเพราะเกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยการเรียนรู้ความจริงจากเวทนาหรือแม้แต่เรียนรู้ความจริงจากกายจะช่วยให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเรียนรู้ความจริงในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นต่อไปจุดในการเรียนรู้จึงเป็นจุด เ, ดเล็กๆให้ประจักษ์แจ้งในขณะนั้นๆในที่นั้นๆให้ได้เสียก่อนแล้วค่อยกระจายความรู้ออกไปในส่วนอื่นๆ เหมือนกับการปฏิบัติในชั้นศีลในชั้นการเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นในชั้นศีลก็เรียนรู้จักตนเองมีความรู้สึ ก, กว่าตนเองถนอมชีวิตไม่ปรารถนาให้ใครเบียดเบียนประทุษร้ายทำอันตรายเก่ตนชั้นใดพอเข้าใจตนได้ประจักษ์แจ้งแล้วก็จะมองคนอื่นว่ามีความรู้สึกมีความต้องการปรารถนาเช่นเดียวกันและบุคคลเหล่านั้นก็จะตั้งจิตเจตนาวิรัติงดเว้นตามสิกขาบทที่สมบัญญัติเอาไว้ ในส่วนเมตตาภาวานาเป็นต้นก็าอาศัยฐานคือความเข้าใจที่ตนเช่นเดียวกันแล้วกระจายเผืแผ่ไปถึงบุคคลอื่นตั้งความปรารถนาดีมุ่งดีให้บังเกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลอื่นพอมาถึงสายของถึงระดับของวิปัสสนาก็เป็นการมองจากจุเดเล็กๆที่ตัวเองเช่นเดียวกันแล้วจะเข้าใจสรรพสิ่งโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาใจของบุคคลก็จะปล่อยวางความยึดติดในอารมณ์ต่างๆลงไปได้โดยลําดับ ความปร่งเบาสบายก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่การประพิปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป